เหมือนจะบดหัวใจให้เป็นแผลตอนที่ห้าวันนี้เรามาเริ่มกันต่อหน้า34หน้าหัวข้อ 4.3 ปฏิกิริยากรบเกลียนภาษาอังกฤษว่า Reaction Formation <c oughs> ในกรณีที่ผู้กระทํามีความปรารถนาในสิ่งหนึ่งๆแต่วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นสังคมนั้นหรือกลุ่มหรือหมู่กลุ่มนั้นไม่ยอมรับหรือถือว่าเป็นความผิดหรือเป็นไปไม่ได้ก็ตามจึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการกระทําเสียใหม่วงเล็บเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนโมทีฟหรือ วางปฏิกิริยาใหม่นะวงเล็บปิดแต่จุดประสงค์ก็ยังคงแบบเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงความแท้จริงของหัวใจในเรื่องนั้นยังยืนพื้นเพียงแต่กลบเกลือนด้วยวิธีการใหม่ซึ่งก็จะสุดตรงหรือล้นไปอีกข้างตัวอย่างเช่นคือวิธีการนี้เป็นวิธีการกลบเกลือ น, น, นเองนะดูนะเขาจะใช้วิธีการกลบเกลือนอยังไงคนที่เกลียดแม่มาก แทนที่จะทำร้ายโดยตรงกลับเอา อ, อกเอาใจเสียเหลือเกินจนดูล้นเป็นยังไง <c oughs> เนี่ยเขาตัวอย่างเขาแค่นี้สองบรรทัดคนที่เกลียดแม่มากๆแทนที่จะทำร้ายโดยตรงกลับเอา อ, อกเอาใจเสียเหลือเกินจนดูล้น <c oughs> อ๋อกบเกลื่อนใช่ไหมป่าวตอนนี้เป็นวิธีการกบเกื่อนนะจริงๆแล้วไม่ชอบใจ แต่แทนที่จะไปทําเลวทําร้ายด้วยกับกับแกล้งนั่นเองพูดง่ายแกล้งทําเป็นเอาใจสนิทแทนที่จริงๆนะอยากจะทุบสักตึกนึงนะะแต่แทนที่จะไปทุบเขานี่กลับไปทําเป็นเอาใจเขาทําเป็นตรงข้ามเลยกรบเกลือนหรือนะตัวอย่างคนที่มีความอมตในจิตใจ ถ้าบทพูดหวานแล้วก็น้ำตาลสู้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นปุบ ป, ประมาณนาการออกไปสังคมสงเคราะห์เราจึงจะเห็นบางคนแสดงความรักสงสารเด็กชนิดที่เกินขีดมีเมือนกันประเภทที่เหมือนกับทาบูนาหน้าใช่ั้มจริงๆแล้วเหมือนกับพวกไฮโซบางคนเนี่ยบางทีเขาเกลียดเนี่ยเขาไม่อยากเลยโหถ้าเป็นปกติแนละ้วอาจจะ อะไรอ่ะเหมือนกับลังเกียดเหมือนกับขยะขยะแงอย่างเช่นไปที่นั่นอ่ะอะไรนะเออปากเกตอ่ะนะบ้านปากเกตจริงๆแล้วก็เออไม่อยากไม่อยากใกล้ไม่อยากป้อนข้าวให้เด็กพิการกินเลยแต่ว่าเอออะไรอ่ะกล้องก็มีทีวีก็มาถ่ายเพราะฉะนั้นก็เลยแหมยิ้มนะโอ้ยทำ อบอ้อมอารีสเสือเกินนะเป็นการกลบเกลื่อนนะบางทีเป็นอย่างนั้นนี่ยแต่ใจจริงๆิบางทีนี่โอ้โหไม่อยากใกล้เล ย, อ, ย, เลยอันนี้ก็จับดูจิตเราด้วยแล้วกันว่าจิตเราเป็นอย่างนั้นไหมมีเหมือนกันนะบางครั้งเราก็เป็นเพราะเราจับดูให้ดีว่าถ้าเราจับได้เมื่อไหร่นะว่าเป็นเนี่ยให้รู้เลยว่าว่าอย่าให้มันเป็นการกรบเกื่อนหรืออย่าให้มันเป็นการเสแซ่ พยายามเลยจริงๆเราเกลียดหรือว่าเราไม่ชอบเราไม่อยากทําอย่างนั้นแต่เราจับจิตเราได้ปับ๊บตอนนี้เราฝืนจิตเราเราบังคับจิตเราเพื่อที่จะให้เมตตาให้สงสารนะแล้วก็ฝืนใจเราที่พยายามเออทำให้เขาถ้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่การกรบเกลื่อนไม่ใช่การเสรแสร้งแต่เป็นการที่เรากําลังสู้กับจิตเราพยายามบังคับจิตเรานะให้ทำให้ทําตร ง, งข้าม ให้ ท, าทํางทำตรงกันข้ามกับความอยากของเรานะอย่างเช่นบางทีเนี่ยอยากจะด่าใครอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าด่ามันไม่ดีไงเพราะฉะนั้นก็พยายามฝืนใช่ไหมฝืนไม่ด่าไม่ด่าพูดห ว, วานๆพูดดีๆกับเขาพยายามบังคับจิตเราอันนี้ไม่ใช่การเสรแสร้งฟังดูให้ดีนะหลายคนที่บางทีเนี่ยมีความรู้สึกเป็นทํานองเหมือนกับกรบเกลือนเลยเลยไม่ยอมทําเลยอย่างเช่นบางทีเนี่ยโกรธใคร บอกว่าอ้าวเราโกรธใครทําไมเราจะต้องมาอดทนมาจะต้องมาอดกั้นไว้ทําไมโกรธก็ด่าไปเลยสิมันถึงจะซื่อตรงนะมันถึงจะแบบว่าตรงกับความรู้สึกเ อ, อจริงใจนะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพราะบอกว่าถ้าไปอดเอาไว้ไปกั้นเอาไว้ใช่ไหมโอ้อย่างงี้ก็ไม่ตรงอสิตรงใจนะไม่ใช่จริงใจ เพราะฉะนั้นแล้วมันต่างจากขันติต่างจากความอดทนอดกลั้นเพราะอย่างของพุทธเนี่ยจริงๆบางทีเราอยากจะด่าเขาแต่เราเนี่ยอดทนอดกลั้นเราฝืนฝืนใจเราฝืนใจเราเรารู้เลยว่าเรากําลังข่มกิเลสเราเราพยายามบังคับกิเลสเราเพราะนี่ไม่ใช่เป็นการเสแส้งแต่เป็นการต่อสู้กับกิเลสเรานะเพื่อที่จะเ อ, อพูดดีๆกับเขาพูดสุภาพกับเขา ทัทง้งทั้งที่ความจริงมันไม่อยากจะทําเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรอย่างอื่นที่ที่เป็นการแอบแฝงมานะไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงแต่เป็นผลประโยชน์ที่เราเนี่ยรู้โดยตรงเลยว่าถ้าเราฝื้อย่างนี้ได้เป็นบุญเป็นดีเป็นการลดละ ก, กิเลสเราเนี่ยเนี่ยมันแตกต่างกับการกรบเกลี่อนเันสัมมวนการกรบเกลี่นเนี่ยเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นกิเลสซ้อนขึ้นมาอีกเข้าใจไหม เกลียดเขาแทนที่จะไปด่าเขาเนี่ยแกล้งเลยแกล้งกบเกินไปอีกมุมหนึ่งแหมพูดหวานพูดดีๆกับเขาแต่จริงๆแล้วใจเรารู้เลยว่าเราเกลียดเราด่าเพอๆใ น, ในจิตนี่ยังด่าอยู่ในใจด้วยซ้ำแปนะแต่ว่าก็ไม่รู้ละมันอาจจะมีเหตุผลอื่นประกอบนะว่าจะได้รับผลประโยชน์หรือว่าอะไรอย่างอื่นที่ที่จะเป็นกิเลสของตัวเองเนี่ยซ่อนอยู่ก็เลย พูดดีๆพูดหวานๆอย่างเขาในหนังเนี่ยยิ่งหนังไทยเนี่ยเห็นชัดเลยหนังไทยเนี่ยสร้างเอลักษณะบุคลิกอย่างเงี้ยบอยบางทีแม้ต่อหน้าเจ้านายอุย้ยทําดีอย่างเงี้แต่พอเจ้านายรับหลังไปให้ได้โวด่าส่งอย่างเงี้นอย่างงี้เนี่ยจะให้เห็นว่านะ่ะเป็นลักษณะกบเกลื่อนเพรอตอนหน้าเนี่ยเอา้ามันมีผลประโยชน์ของตัวเองเข้ามาอาจจะหวังลาบ หวังยศหวังตำแหน่งอะไรจากเจ้านายใช่ไหมวันพอเวลาต่อหน้าจริงๆไม่ชอบเลยนะเจ้านายคนนี้แต่กลบเกลือนโ อ, อ้ทำเป็นเอาอกใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะอันนี้คือตัวอย่างที่เขากําลังพูดถึงนะอีกตัวอย่างหนึ่งการออกไปสังคมสงเคราะห์เราจึงจะเห็นบางคนแสดงความรักสงสารเด็กชนิดที่เกินขีดใช่หไหมเนี่ยนะหรือว่าอยู่ในสํานักอาจารย์ ใครใก็พากัน ร, รักเคารพพระอาจารย์แต่ตัวเองไม่ศรัทธาก็มัดจะพูดเปิดหัวใจว่าตัวเองเคารพมากแค่ไหนอย่างพร่ำเพื่อนะไอตัวอย่างนี้ก็คือเนี่ยบางทีอยู่ไม่รู้ว่าหมายถึงสำนักไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเขาบอกว่าสำนักอาจารย์ใครใคเขาก็เคารพอาจารย์กันทั้งนั้นเนี่ยแต่ตัวเองจริงจริงแล้วไม่ศรัทธาไม่เคารพแต่ พอเวลาพูดถึงอาจารย์นี่แกล้งแกล้งพูดโอ้โหศรัทธาอาจารย์มากนะมากอย่างโง่มากอย่างงี้มากอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะตรงกังข้ามกับความรู้สึกนั่นเองพูด ง, ง่ายคืออย่างเงี้ยมันแบบโกหกตัวเองจริงๆนะ่ยมันแตกต่างกันมันไม่ได้ซื่อตรงนพะราะฉนบางคนเนี่ยถ้าจับประเด็นนี้ไม่ได้นะอาจมาถึงบอก จับประเด็นความซื่อตรงของตัวเองไม่ได้กับจับประเด็นโกโหกตัวเองไม่ได้นี่นะคนนั้นเนี่ยเลยเลิกเลยเลยไม่ยอมฝืนใจตัวเองเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอา้าวถ้าไปทำตรงข้ามกับความรู้สึกอย่างนั้นก็โก6กเอยสิเพราะนั้นหลายคนเอาอันนี้มาอ้างก็เลยไม่ยอมทำ ไม่ใช่ไม่ใช่ในกรณีนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงการที่มันทําแบบว่าเป็นการโกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นมุมตรงข้ามแล้วมุมนั้นมันไม่ได้เป็นผลที่เสียหายกับคนอื่นมันก็เลยไม่มีไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมันมีผลที่ตรงข้ามกับคนอื่นตรงข้ามกับใจเราแ ล, แล้วมันเสียหายคนอื่นมันจะเห็นผลชัดแต่ น, นี้พูด ประเด็นในแง่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเ ร, เราจะรู้ตัวเราเองเลยว่าไอการที่เราโกหกตัวเองเนี่ยนะมันอย่างหนึง่งกับการที่เราเนี่ยสามารถจะฝืนใจตัวเราเองได้แล้วทําตรงกันข้ามนะแต่เป็นการที่เรารู้ว่าเป็นการฝืนใจเราเองไม่ใช่เป็นการหลอกลวงตัวเองไม่ใช่เป็นการโกหกตัวเองไม่ใช่เป็นการเสแสร้งถ้าอย่างนี้แหละมันจะต่างกันซึ่งอาตมาบอกว่าอย่างนี้แหละ ถ้าทำถูกต้องเป็นสามาทิติเนี่ยมันจะเป็นการขันติเป็นการอดทนอดกัน้นนะเป็นธรรมะเป็นอะไรที่ที่เป็นของทางธรรมะปฏิบัตินี่นตัวอย่างเหล่านี้เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงออกเพียงกรบเกลื่อนความรู้สึกเดิมแท้ของตนใช่หไหมนี่ไงกรบเกลื่อนความรู้สึกเดิมแท้ของตนแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนใจแต่อย่างใดยังเป็นลักษณะของปากอย่างใจอย่าง เห็นปากกับใจหรือการแสดงออกกับใจที่ไม่ลงร่องกันในตัวของตัวเองจึงยังมีสภาพย้อนแย้งอยู่ตลอดเวลายิ่งเข้าไปอยู่กับสังคมก็มีแต่การขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่เสมอเพราะเมื่อตัวเองอยู่บนรากฐานของความขัดแยง้งจะไปกลมกลืนกับผู้อื่นได้อย่างไรนี่แหละให้เห็นเลยในนี้เขาใช้คาว่าความขัดแย้งกับตัวเองแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ มันเป็นค่ะมันเป็นการที่ไม่ว่าจะเพราะลาบยศสรรเสริญสุขหรือว่าอะไรเป็นเหยื่อล่อทําให้เลยเลยต้องทําในมุมตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเองน่หรือว่าเพราะความโลภโกรธหลงอะไรก็แล้วแต่มันมีผลออกมาเลยทําใหค้คนนั้นเนี่ยทำตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเองแล้วทําไปแล้วน่ะจริงๆไม่อยากจะทําผลอย่างนั้นออกไปเลย ถ้าถ้าเขาเลือกได้หรือว่าเขามีโอกาสเมื่อไหร่ที่ไม่มีสถานการณ์อื่นมาบีบบังคับแล้วเนี่ยนะในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆภายนอกมาบังคับแล้วเนี่ยเขาจะทาตามใจเขาทันทีเลยเพราะอันนี้ไม่ใช่เป็นการฝืนกิเลส ต, ตัวเองแต่มันทำไปเพราะว่าผลผลเอ่อผลอื่นผลอย่างอื่นเนี่ยมันมาบังคับทำให้เขาเลยทาตรงข้ามกับอารมณ์ความรู้สึก วันจิตแท้ๆลึกๆของเขาเนี่ยยังอยากอยู่เหมือนเดิมชอบอยู่เหมือนเดิมรักอยู่เหมือนเดิมชังอยู่เหมือนเดิมเกลียดอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเจตนาเปลี่ยนแปลงจิตอะไรเห็นไหมทําไปเหมือนกับเหมือนเหมือนกับอะไรอะ่ะขายผ้าเอาหน้ารอดอะไรอย่างเงี้ยคือทําไปเฉพาะสถานการณ์เฉพาะเหตุการณ์ซึ่งอันนี้ต้องจับกิเลสตัวนี้ของเราให้ทันถ้าใครจับได้ถึงจะรู้ว่าโอ้จิตเราเนี่ย แมงเช่นบางคนกลัวตายเงี้ยให้พูดอะไรตรงข้ามาพูดได้นะบางทีสมมติอา้าวเขาเอามีดมาจี้ลูกกระเดือกชอบกินส้มตำหรือเปล่า <c oughs> แหมเอาเอาให้ตรงประเด็นเป๊ะเลยใช่ไหมชอบกินน้ำพริกหรือเปล่า <c oughs> เออเสร็จแล้วยงไนจริงๆชอบกินนะแต่เขาบอกว่า ถ้าอา่ถ้าบอกว่าชอบจะยิงนะ <c oughs> จริงๆเราชอบใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ชอบไปก่อนเพราะเดี๋ยวเขายิงตายเลยต้องบอกว่าไม่ชอบ <c oughs> คือคือเปล่าอันนี้กําลังจะพูดในมุมที่ให้เห็นว่ามันมีเหตุการณ์อื่นเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยต้องตอบตอบตรงข้ามกับความรู้สึกเราคือพูดง่ายๆว่าต้องให้เราโกหก เกิดการโกหกขึ้นมาโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราต่อให้ใจเราเนี่ยนะพูดโกหกออกไปแต่ใจเราเนี่ยมัน ย, ยังยึดอยู่เหมือนเดิมมันยังชอบน้ําพริกอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเห็นไหมเพราะันต่อให้พูดไปยังไงต่อไปยังไงหรือไปทํากรรมภายนอกเป็นกายกรรมยังไงก็ตามแต่จริงๆคนนั้นก็ทําไปตามอํานาจของกิเลสต่างๆแต่อันนี้เป็นกิเลสของความกลัวใช่ไหม เันกลัวก็เลยต้องตอบอย่างนั้นบางคนกลัวต ก, ตกงานก็เลยต้องโกหกออกไปอ่บางคนกลัวจะไม่ได้ราบนะก็เลยโกหกออกไปนี่ต้องจับกิเลสตัวเองให้ทันว่าโอนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งของการที่กรบเกลือนเพราะฉะนั้นมันเลยปากอย่างนึงใจอย่างหนึ่งจะเกิดอาการนี้ขึ้นมาซึ่งอาจมาขอย้านะว่าต่างจากความอดทนอดกลัน้นนะเพราะว่าความอดทนอดขลั้นเนี่ยเราก็พูดตรงกันข้ามเหมือนกัน แต่การตรงข้ามครั้งนี้เพื่อที่ฝืนกิเลสเราไม่ให้มันเป็นไปตามกิเลสกิเลสมันจริงๆแล้วกิเลสมันอยากจะกินน้ําพริกมันอยากจะกินน้ําพริกแต่เราพยายามฝืนใจเราฝืนใจเรานะบอกว่าไม่ชอบไม่กินไม่กินไม่อยากกินตๆวันนี้จะไม่ยอมกินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันฝืนตรงข้ามกับกับจิตเราที่เราอยากจะกินอันนี้มันเป็นการต่อสู้กับกิเลสเห็นไหมมันจะต่างกันเลย อันนี้มันไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองจริงๆเรายอมรับตัวเองด้วยซ้ำไปแต่เราพยายามพูดอย่างนั้นหรือเราพยายามแสดงออกอย่างนั้นเน่ยนะเหมือนอย่างน้ำพริกผ่านมาเนี่ยถ้าเอาตามใจเราเราก็โอ้โหอยากจะหยิบมากินแหละแต่เราพยายามสู้เราพยายามฝืนก็ไปไปน่าไล่ไปที่อื่นยามายามาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการต่อสู้แต่บางคนก็ไม่แน่นะ ปากออกไปไปไปแต่มือนี่หยิบมาไออย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเนีปากอย่างมืออย่างอย่างนี้ไม่ไหวอาจารยนี้มีข้อที่น่าสังเกตก็คือพวกปากอย่างใจอย่างนี้เวลาทําอะไรก็ตามจึงมักจะออกทางล้นนะคือโอเวนั่นเองหรือมากเกินไปจนบางทีคนทั่วๆไปก็สังเกตเห็นเพราะเหตุชนี้แหละ ผู้ที่ชอบเอาใจคนอื่นมากก็เพราะอยากให้คนอื่นมาเอาใจอย่างลึกๆนะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะเพราะคือเขาเขาถือว่าพวกที่มีจิตอย่างเงี้ยนะมักที่จะทําอะไรเว่อร์ให้คนอื่นเห็นอย่างเช่นคนที่อวดฉลาดจึงมักจะโง่เอ๊ะยังไงวะตัวอย่างนี้คนที่อวดฉลาดจึงมักจะโง่ คือจริงๆแสดงว่าคนนี้โง่ใช่ไหมเออจริงๆคนนี้โง่แต่ว่าเลยเลยต้องทําเป็นว่าแหมฉันเก่งฉันฉลาดฉันรู้นะพูดอธิบายไอ้นี่ใหญ่แต่จริงๆก็คือตัวเองอ่ะก็พอจะรู้ตัวเองอยู่ว่าไม่เก่งอ่ะไม่ฉลาดหรอกแต่พยายามพูดพูดพูดเอ่อพูดให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเราฉลาดเราฉลาด เออนะหรืออีกตัวอย่างก็คือคนที่ชอบชมหรือติคนโน้นคนนี้มากไปจึงคือผู้ติดอยู่ในสารเสริญินทาโดยในซ้อนไปอีกอดูให้ดีนะอันนี้เขาพูดในลักษณะของความเป็นกิเลสนะเพราะบางคนเนี่ยชอบติคนโน้นชอบชมคนนี้คือผู้ยัง่ายนักวิจารณ์นะวิจารณ์นั่นวิจารณ์นี่วิจารณ์โน้นจริงๆก็คือตัวเองก็ อยากได้รับคำชมนะหรือว่ากลัวคำตำหนิจากคนอื่นก็เลยชอบชอบติชอบชมคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกนะอันนี้เป็นมุมกิเลสแต่ถ้าไปมุมดีเนี่ยถ้าเราวิตกวิจาร์หรือว่าเราติชมใครด้วยใจที่บริสุทธิ์ใจที่เราถูกต้องนะใจที่เราไม่ได้กบเกิอนอารมณ์ความรู้สึกอะไรเรา คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งคนอื่นด้วยอ่อีกตัวอย่างหนึง่งคันนี้ผู้สแสวงหาราบจึงคือกยาจกวงเล็บทางใจคือพูด ง, ง่ายๆก็คนอยากรวยนั่นเองนะคนอยากรวยแสดงว่าคนนั้นใจมันจนถึงได้อยากรวยเยนะ ส่วนอีกอย่างนึงก็คือผู้สแสวงหาเกียรติจึงคือผู้ต่ำต้อยนะก็เพราะว่าจริงๆก็คือเหมือนกับยอมรับตัวเองอยู่เหมือนกันแหละนะว่าจริงๆตัวเองต่ำไงเลยยิ่งต้องพยายามตะกุยตะกายให้ไปถึงดวงดาวให้สูงสูงหน่อยและความเจ็บป่วยอาจใช้เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งในกรณีเหล่านี้ก็ได้เช่นศิลปินที่พ่ายแพ้ชะตาชีวิต ความใฝ่ฝันหวังที่จะได้รับเสียงสรรเสริญเยือนยอจากคนดูให้จากคนดูได้พังทลายไปเขาสิ้นแล้วซึ่งความสนใจใหญ่ดีจากคนดูแต่มันก็มีทางออกจนได้ยังมีคนดูอีกไม่กี่คนที่บ้านเขาจะต้องแสดงให้พวกนี้สนใจในตัวเขาให้ได้เพื่อชดเชยกับสิ่งที่เขาสูญเสียไปและแล้วเขาก็ล้มป่วยลงจริง ลูกเมียต่างก็วิตกกังวลออกนอกหน้าความป่วยไข้ทําให้เขาทรมานและเจ็บแต่ลึกลงไปความสมใจความวาบหวามใจก็ได้เกิดขึ้นแก่ตัวเขาอย่างซ่อนเร้นความทุกข์ของเขาจึงคือความสุขอันแท้จริงเพราะยิ่งได้เห็นหน้าอันตื่นตนกอาทรต่ออาการป่วยมันก็ยิ่งดื่มดำในหัวใจมากเพียงนั้นแต่นั่นแหละ สวรรค์ของเขาอยู่บนนรกของคนอื่นอันนี้พอจะเข้าใจหมเขาก็หมายถึงความกบเกลื่อนอย่างหนึ่งที่บางคนเนี่ยคล้ายๆว่าเอาสมมติอันนี้เขายกตัวอย่างเหมือนกับนักแสดงนะนักแสดงที่คนดูเขาไม่ยอมรับแล้วอะ่ะเขาว่าไม่เอาๆแล้วไม่มีใครเขาสนใจแล้วเพราะคนนี้ก็เลยแสดงใหม่บทใหม่คือแสดงบทป่วยนั่นเอง แสดงบทป่วยแสดงแล้วต้องต้องเหมือนจริงต้องสมจริงคือในที่สุดป่วยจริงๆคือแสดงจนกระทั่งป่วยจริงๆคือตอนแรกเนี่ยร่างกายไม่ได้ป่วยแต่จิตป่วยเมื่อเมื่อจิตป่วยเนี่ยจิตมันเป็นประธานวันจิตป่วยป่วยป่วยป่วยร่างกายป่วยจริงๆพิพอป่วยเสร็จแล้วคราวนี้ก็เลยโอ้โหเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ชิด นะหรือว่าคนในครอบครัวเขาก็สงสารเขาก็ต้องมาดูแลเอาใจใส่เขาก็มาช่วยเหลือเพราะมันก็เป็นความสมใจอย่างหนึ่งที่ว่าตีบทแตกนะแสดงบทป่วยได้สมจริงสมจังคนเขาก็เอ็นดูไม่ใช่เอ็นดูเอ็นดูนี่มันใช้กับออความน่ารักอันนี้อันนี้มันป่วยอะ่ะ เ, เขาก็เออสงสารเขาก็เห็นใจนะเพราะ คนป่วยก็สมใจอย่างหนึ่งว่าโอ้โหแสดงได้อะไรอะ่ะสมจริงสมจังมากนั่นแหละนาตีบทแตกนั่นแหละว่ามันก็เป็นการกบเกื่อนอย่างหนึง่งจริงๆตัวเองผิดหวังจริงๆไม่อยากป่วยอยากป่วยที่ไหนล่ะว่ามันเป็นการกบเกื่อนความล้มเหลวที่ตัวเองเนี่ยล้มเหลวแล้วไม่มีใครเขาจะยอมรับ เพราะนั้นก็เลยต้องมาหาคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังจะยอมรับได้อยู่ก็ต้องแสดงบทนี้เพื่อที่ให้คนอื่นยอมรับจริงๆเขาอาจจะรู้ตัวอยู่บ้างนะบางคนนี่อาจจะรู้ตัวเลยแต่เจตนาทำเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเขาในลักษณะนี้ให้ได้เห็นใจเขาให้ได้นะบางคนก็รู้ตัวเลยบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้มันแล้วแต่เพราะบางคนเนี่ย แบบว่ า, อ, าอะไรอ่ะมันเรียกร้องอยู่ในใจเนี่ยคืออยากจะให้คนมาเห็นใจให้คนมาสงสารแต่ถ้าจะแสดงจะทําอะไรอย่างอื่นคนเขาก็ไม่เห็นใจเขาไม่สงสารเพราะฉะนั้นก็เลยคนนี้ก็เลยป่วยป่วยจริงๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวนี่แหละป่วยแล้วเขาก็เลยสมใจ ที่คนอื่นมาเมตตามาสงสารคือมีได้ทั้งสองอย่างรู้ตัวก็ได้ไม่รู้ตัวก็ได้ อ, อ่าจริงๆนะบางทีสิเราดูสิไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกดตูตัวเราเองเนี่ยบางครั้งที่เราป่วยเนี่ยเนีย่ยเอามาจําได้เลยนะโอ้โหมีความสุขในชีวิตมากเลยมีความรู้สึกว่าแม่รักเรามากเลยไอตอนที่เราป่วยเนี่ยแหละ เวลาอื่นไม่ค่อยรู้สึกว่าแม่รักเราสักเท่าไหร่นะแต่ตอนป่วยเนี่ยเห็นชัดเลยว่าตอนอื่นไม่ค่อยมาถามไม่ค่อยมาบริการอะไรเราเออพอตอนป่วยจริงๆเลยอาตมาเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าโอ้โหรู้สึกว่าแม่รักเรามากตอนที่เราป่วยเนี่ยแหละโอโจะมาถามมาถามมาเอามือมาอะไรอะ่ะดูว่าตัวร้อนหรือเปล่านะกินอะไร เแล้วก็ไปหาอะไรอะไ ร, อ, ะไรอร่อยๆเอามาให้เรากินอย่างเงี้ยเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาถามนะอ้าถ้าไม่เย็นก็มาพัดให้เอาพัลมมาเปิดหรือว่าอะไรโอ้เรารู้สึกแหมบริการเราดี <c oughs> เอ่อ <c oughs> บาอันนั้นความรักของแม่ยัอีกเรื่องหนึง่งแต่ น, นี่กําลังให้มองกิเลสเราเองให้มองกิเลสตัวเราเองว่าบางครั้งเนี่ย รู้ตัวก็ได้ไม่รู้ตัวก็ได้แต่มันเป็นจริงๆด้วยไออาการที่มันกบเกลือหรือว่าเหมือ น, กนเกาเหลียบร้องเนี่ยมันมีจริงๆในคนเรานะและป่วยมันก็ป่วยจริงๆด้วยนะแต่ว่าบางทีเนี่ยป่วยสักยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะแต่ได้สมใจเราสักแปดสิบเปอร์ซโอ้โหคุ้ม <c oughs> รู้สึกป่วยขานี้คุ้มอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ไปจับดู ข่าวไหนที่มันเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่าแล้วบางคนจิตออนแอร์เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยให้ไปสังเกตดูตัวเราเองนะอันต้นนี้หรือแม้แต่ลึกซึ้งขนาดแอบอยู่ซอกเมฆแหมโอ้โหเขาใช้สำนวนคุณฟังดูให้ดีนะเขาใช้คาว่าซอกเมฆเมฆเมฆเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้านะแอบแอบอยู่ซอกเมฆก็ยังมีอีก อย่างเช่นกรณีนิมิตซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นจริงและปลอมในกรณีที่เจ้าตัวเป็นผู้สร้างขึ้นมาปัญหาสําคัญก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเองแกล้งจิตตัวเองเป็นผู้สร้างขึ้นมาด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาหรือว่ามันเกิดด้วยความบริสุทธิ์อันนี้แหละพ่อท่านพ่อท่านอธิบายมาแล้วในคนคืออะไรนะ เรื่องของนิมิตเรื่องของฝันเรื่องของผวังเรื่องของฌานญาณอะไรต่างๆนะอย่างกรณีในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงนิมิตนะจริงๆนิมิตนี่เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องปลอมนิมิตคําว่านิมิตนะถ้าภาษาเฉยๆเนี่ยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่ในในที่นี้เรากําลังจะพูดถึงถึง มันเหมือนกับความนึกคิดนะตอนอยู่ในระวังก็ตามหรือว่าตอนหลับก็ตามเนี่ยตอนนอนอยู่เนี่ยแล้วมันมีนิมิตขึ้นมาหรือจริงๆตอนตื่นมันก็มีนิมิตได้นะคําว่านิมิตในที่เนี้เราหมายถึงว่าปลอมหรือว่าจริ ง, รงก็นั่นแหละก็เป็นความนึกคิดนั่นแหละ อ, อะไรคือปลอมอะไรคือจริ ง, รงเดี๋ยวต้องถามก่อนอ๋อปลอมคือมันไม่ได้เป็นความจริงก็ถูกแล้ว ก็ปลอมมันก็คือไม่เป็นความจริงเออคื อ, ค, อคือมาถึงเหตุการณ์ที่เรานึกอยู่นั่นแหะไม่มีทางที่จะเป็นความจริงใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ก็ใช่อธินิมิตนี่นิมิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างไปลายทางที่จะเกิดในอนาคต <S 2> <S 2> <S เข้าใจไหม <S 2> <S 2> <S เข้าใจไหมนิมิตนี่หมายถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะเรากําลังพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นว่านิมิตอันนี้เนี่ย มันจะเป็นจริงหรือว่ามันจะไม่เป็นจริงใช้คำว่านิมิตต่างกันไ ง, งนิมิตเนี่ ย, นนย อ, อย่างหนึ่งฝันนี่อีกอย่างนึ่งนั่นแหละจะฝันกลางวันจะเดรรีมหรือว่าจะฝันกลางคืน d น e ีมก็แล้วแต่นิมิตจริงๆแล้วต้องหมายถึงว่าเป็นจริง<ม>นหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เรานึกเราคิดขึ้นมาเนี่ย นะมันจะออกมาตรงๆเลยก็ตามคือตรงๆนี่หมายถึงว่าเป็นไปตามที่เราเราฝันที่เราเห็นนั่นเลยเห็นในจิตเนี่ยนะตามที่เราเห็นเนี่ยมันจะออกมาตามนั้นเลยอันนี้เรียกว่าตรงหรือบางทีมันไม่ได้ออกมาเป็นรูปเป็นเหตุการณ์ตรงมันออกมาเป็นเหมือนกับอุบมาเหมือนกับการเปรียบเทียบอย่างเช่นเห็นเป็นดอกบัวเห็นเป็นพระมา ให้เราบินธบาหรือว่ามาให้เรากราบหรืออะไรซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราโดยตรงนะแต่เขาก็เรียกว่านิมิตซึ่งสามารถที่จะตีความออกมาได้เข้าใจไหมสามารถจะตีความออกมาแล้วตีความออกมาแล้วเออมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆในอนาคตนิมิตเนี่ยหมายถึงจริงแต่ว่านิมิตนี่จะจริงแค่ไหนคราวนี้มันอยู่ที่คนนั้นว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหน เนคนที่ยังมีกิเลสอยู่มากเนี่ยโอ้อยากที่จะนิมิตได้จริงเพราะอํานาจของกิเลสที่มันมีอยู่ในจิตวิญญาณเราเนี่ยมันมักจะมาทําให้ไอความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยมันมันมันไม่สามารถจะบริสุทธิ์ได้มันมักจะเพี้ยนเพียนมันมักจะโดนปนเปื้อนโดนอะไรไปแล้วเพราะคนที่จะมีนิมิต ท, ที่ตรงแท้หรือว่าบริสุทธิ์ได้ที่สุดก็ต้องเป็นผู้ที่